พยาบาลเลยมาร่วมปฏิบัติเป็นเพื่อนกับพวกเราที่มาอยู่ก่อนแล้วที่นี่แต่ก่อนเนี่ยตรงตรงข้ามกับสาราใหญ่จะมีหินขนาดปานกลางแผ่นแบ น, แบน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 มาพบกับมิตรที่เพิ่งรู้จักที่สำคัญมากที่สุดนะที่เราจะขาดไม่ได้เลยมิตรพูนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ไกลาจากเราเลยอยู่ใกล้มากถ้าเราส่องกระจกนะก็จะพบวันนั้นแหละคือมิตรของเรา แต่อาจจะเป็นมิตที่ไม่เคยรู้จักหรือเพิ่งรู้จักนะในความรู้สึกของหลายคนก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยเรารู้จักตัวเราเองนี่น้อยนะแล้วก็ อ่าจริงๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกเหินห่างกับตัวเองมาแทบจะตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้โดยเพราะคนในยุค ป, ปัจจุบันนะซึ่งมีสิ่งเสพสิ่งบริโภคมากมีเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่ทำให้ในในแง่หนึ่งเนี่ยก็เป็นสื่อกลางให้เราได้รู้จักคนได้เยอะแยะไปหมดนะ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 โทรศัพท์โทรทัศน์นะหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็มีนะโปรแก ร, รมใหม่ๆมากมาย t ว i t t e r อะไร <c oughs> ก็พวกนี้นะชื่อแปลกๆก็ทำให้เราได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ไกลออกไปได้เราก็สามารถจะออนไลน์หรือว่าพูดคุยผ่านทางอินเทอร์เน็ตถึงคน ในอีกซีกโลกหนึ่งหรือว่าอีกมุมหนึ่งของประเทศได้แต่ว่าในอีกแง่หนึน่งเทคโนโลยีเหล่านี้มันก็ทำให้เราเนี่ยเหินห่างออกจากตัวเองจงกนกระทั่งเกิดสภาวะที่เรียกว่าแปลกแยกกับตัวเองนะคำนี้พวกเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นบางคนแต่จะไม่ค่อยคุ้นกับคำว่าแปลกแยกนะ แต่ถึงแม้จะไม่คุ้นกับคำนี้นะแต่ว่าก็คงคงรู้สึกสัมผัสกับสภาวะนี้ได้เวลาที่เราต้องอยู่คนเดียวเวลาที่เราต้องอยู่คนเดียวในห้องหรือในสถานที่หนึ่งไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรทัศนะ์ไม่มีผู้คนจะมาพูดคุยเจาะแจ้ด้วยนะ ไม่มีหนังสือให้อ่านนะแต่ว่ามีเราคนเดียวเราจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเราอยู่ในสภาพเช่นนั้นอาจจะอยู่ในห้องคนเดียวแม้นะว่าในห้องนั้นจะมีอาหารจะมีปัจจัยสี่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแต่ว่าต้องอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนคุย ไม่สามารถจะติดต่อพูดคุยกับใครได้แล้วก็ไม่มีงานให้ทำด้วยนะเราจะรู้สึกอย่างไรนะส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกอึดอัดกระสรับกระส่ายหนะงุดหงิดขึ้นมานะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นบางคนก็อาจจะรู้สึกเบื่อ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 ไปทำอย่างอื่นนะแต่ว่าถ้าต้องอยู่อย่างนั้นนานๆก็เลือกที่จะหลับนะให้การหลับก็เป็นการหนีตัวเองอีกแบบหนึ่งนะถ้าหลับถ้าไม่หลับก็จะหาเรื่องฟุ้งซ่านะคิดก็คือเป็นการสร้างโลกแห่งความคิดขึ้นมาแล้วก็หนีเข้าไปในโลกแห่งความคิดนั้นทั้งหมดนี้เพื่ออะไรก็เพื่อนหนีตัวเองนะ เราทนอยู่กับตัวเองไม่ได้เราแปลกแยกกับตัวเองทั้งหมดนี้มันก็แสดงว่าเราจริงๆแลละไม่ได้เป็นมิจกับตัวเองเท่าไหรนะ่เราไม่ได้เป็นมิกับตัวเองเท่าไหร่นะเพราะเราทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ดังนถึงบอกว่าตัวเองนี่แหละหรือคนที่เราเห็นในกระจก อันนั้นแหละคือมิตรที่เพิ่งรู้จักแต่บางคนกนะ็มาถึงนี่แล้วก็ไม่เจอก็มีนะไม่เจอมิตรนะคนนีนะ้แต่ว่าถ้าหากว่าเราได้เจอแล้วก็ได้รู้จักเนะพียงแค่นิดแค่หน่อยก็ถือว่าคุ้ม ให้ตัวเราเองเนี่ยนะหรือใจของเราเนี่ยจะว่ามันอยู่ใกล้ก็ใก ล, ใกลจ้จริงๆนะไม่มีอะไรใกล้เท่ากับตัวเองไม่มีอะไรที่ใกล้เท่ากับใจของเราแต่ในอีกแง่เนี่ยมันก็ดูไกลเหลือเกินนะไกลามากนะเราสามารถที่จะเรารู้เรื่องเกี่ยวกับดวงจันทร์นะเรารู้เรื่องเกี่ยวกับจั ก, กรวาลกาแล็กซี่ นะมีมีเหตุการณนะ์ดาวอุกาบาตชนดาวพฤหัสนะหลายล้านหลายร้อยล้านกิโลเมตรก็รู้นะนะเป็นข่าวเมื่อหลายวันก่อนรู้หมดนะแต่ว่าไอ้ใจของเรานี่เรากลับไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ งั้นถ้าเกิดว่าเราอุตส่าห์มาถึงนี่แล้วนะนอกจากเราจะรู้จักหรือได้เพื่อนใหม่จะเป็นพระจะเป็นแม่ชีจะเป็นโยมนะอันนั้นก็ดีอยู่แต่ว่าที่ขาดไม่ได้ก็คือการรู้จักตัวเราเองแล้วก็เป็นมิกับตัวเราเองให้ได้มไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่เราจะเป็นมิกับตัวเราเอง และการที่เราจะเป็นมิจฉโตัเราเองนี่บางครั้งนี่มันต้องดันด้นนะต้องดันด้นนะบางครั้งบางคนก็กว่าจะพบตัวนี้ต้องเดินทางไกลนะมีหลายคนบอกว่าโอ้มาวัดป่าสุโกโตนะทําไมมันไกลอย่างนี้นะสมัยก่อนนี่ยิ่งกันดารลําบากกว่านี้เพราะเพราะว่าไม่มีถนนลาดยางนะโอ้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 ระยะทาง300กนะิโเมตร350บางคนนี่กว่าจะพบตัวเองได้นี่ต้องเดินทางข้ามทวีปบานะงคนนี่บ้านอยู่อังกฤษอยู่อเมริกากว่าจะมารู้จักตัวเองนี่ก็ต่อเมื่อเดินทางมาถึงเมืองไทยนะก็ได้รู้จักตัวเองอย่าง หลวงพ่อซูมเมโตนี่ท่านก็เกิดที่อเมริกาแต่ ก, กว่าจะมาค้นพบตัวเองได้นี่ต้องมาถึงหนองคายมาถึงอุบลเนี่ยถึงจะค้นพบตัวเองนะบางคนนี่ก็เดินทางนะไม่ได้ตั้งใจเป็นทหารสงครามโลกคที่สองเป็นชาวอเมริกันแล้วก็มีภารกิจ ที่ประเทศญี่ปุ่นนะเพราะาญี่ปุ่นแพ้สงครามนะก็ต้องมาทำภารกิจนะก็มาในฐานะผู้พิชิตแต่ปรากฏว่ากลับถูกพิชิตนะกลับถูกคนญี่ปุ่นพิชิตคือเอาชนะใจเพราะว่าได้มาค้นพบนะศา ส, สนาพุทธแบบเซน ประทับใจมากเขาก็เลยมาบวชเป็นพระในาศาสนาในพุทธศาสาศนานิกายเซนก็มีหลายคนนะอุตส่าห์เดินทางข้ามทวีปมาคิดว่าจะมาจะมามาปกครองมามาสร้างเนื้อสร้างตัวแต่กับพบตัวเองที่ประเทศญี่ปุ่น มีบางคนนี่เดินทางไกลกว่า น, นั้นมีทหารอังกฤษคนหนึ่งชื่อว่าอยางฮัสบนเนี่ยก็มาร่วมทัพในการยึดเมืองหลวงของทิเบตทิเบ ต, เบตนี่เรานึกภาพดูมันไกลขนาดไหนความสูงระดับน้ำทะเลนี่ห้ากิโลเมตรอุษาดัานต้นจากอินเดียขึ้นมา กว่าจะมาถึงเมืองลาษาโ้เรียกว่าลำบากมากเข้ามาเพื่อที่จะมายึดนะมันมีการต่อสู้กันมาถึงที่เบตได้มาถึงที่เบ ต, เบตในฐานะทหารแต่ว่าออกจากที่เบตออกจากลาษาในฐานะของผู้ไฝ่ธรรม มาเจอมาค้นพบตัวเองที่ทิเบตเขาเล่าประสบการณ์เขาว่าตอนที่เขาต้องยานยาตราทัพนี้ออกจากลาสานะมองไปทั่วทั่วเมืองเห็นภูเขาไกลลิบลับเกิดความรู้สึกปิติขึ้นมาในจิตใจ มันเกิดเรื่องเกิดความเปลี่ยนแป ล, ปลทงทางด้านจิตวิญญาณในใจเขาแล้วก็เขาบอกว่าเพียงแค่ออกจากกรุงลาซาเพียงแค่ว่าไม่กี่ชั่วโมงที่เดินทางออกจากลาสานีมันมีค่ามากกว่าชีวิตของเขาที่เหลือทั้งชีวิตพอได้คนพบตัวเองแล้วก็กลับไปเราะก็เลยกลายเป็นผู้ที่ใฝ่ธรรมเป็นหันมาสนใจธรรมะศึกษาพุทธศาสนา แล้วก็พยายามเผยแผ่ศาสนาให้มันให้เป็นเครื่องมือสร้างสันติภาพในโลกอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเดินทางไกลเพื่อจะมาพบตัวเองในที่สุดเพราะฉะนั้นเราเดินทางกันมา1้0ยสองกิโลนี่มันมาถึงนี่นี่ไม่ถือไม่ถือว่าไกลนะสำหรับการค้นพบแล้วก็รู้จักตัวเอง าสำคัญมากเลยในการที่เราจะรู้จักแล้วก็เป็นมิกระตัวเองให้ได้เพราะถ้าเราเป็นมิกระตัวเองแล้วเนี่ยนะเราจะพ้นพบความสุขเพราะว่าที่เราวิ่งวุ่นกันทุกวันนี้เนี่ยดิ้นรนไขว่ค ว, ว้าแสวงหาต่างๆมากมายมันก็เกิดจากการที่เราไม่มีความสุขภายใน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 หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าอาจจะเป็นชื่อเสียงเกติยศเราก็คิดว่าถ้าได้สิ่งนั้นมาก็จะทำให้สุขได้เสร็จแล้วมันก็ไม่สุขจริงเพราะว่าต้องไปดิ้นรนไ ข, ขว่คว้านะกับคนอื่นเพียงแค่จะ ได้ขั้นสองขั้นเพิ่มขึ้นนี้ก็ต้องไปแข่งกับเพื่อนเพนเพราะว่ามันมีมีโค้ามันมีจำกัดกว่าจะได้มานี่ก็เหนื่อยขั้นสองขั้นแล้วก็ยิงตำแหน่งหัวหน้ากองผู้พออโอ้มันก็ยิงต้องแข่งกันก็ไปใหญ่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 ถ้าได้ล้านสิบหรือสองล้านหรล้านจะมีความสุขมันก็ไม่สุขนะคือสุขได้ประเดี๋ยวประดาวจนถึงขั้นว่ามีเป็น100ล้านพันล้านก็ไม่มีความสุขถ้ามีคนหนึ่งนะักธุรกิจคนหนึ่งนี่นะทําธุรกิจก่อสร้างนะอุตสาหกรรมกู้ธุรกิจของพ่อซึ่งเป็นหนี้ช่วงสมัยเศรษฐกิจวิกฤต กอบกู้มาที่เคยเป็นหนี้เป็นพันล้านนะสามารถที่จะกอบกู้ใช้หนี้ได้หมดภายในสามปีแล้วก็อีกสามปีนี่ก็ทำให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นอีกหลายหลายพันล้านจนกระทั่งธุรกิจของเขานี่มันมีเงินหมุนเวียนมันมีสินทรัพย์อยู่หมื่นล้านตัวเขาเองก็มีเงิน ทรัพย์สินส่วนตัวนี่ก็เป็นร้อยล้านเป็นหลายร้อยล้านก็น่าจะมีความสุขนะแต่วันหนึ่งก็รู้สึกว่าเบื่อช่วยเขาไม่มีค่าหมดค่าทางธุรกิจคือไม่มีความมันไม่มีความสุขนะก็ไปคิดว่าถ้าถ้ามีอย่างอื่นจะดีกว่าก็บอกว่าผมมันก็เศรษฐีหมือล้านคนหนึ่ง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 เลยต้องให้พ่อมาเล่นแทนเอาไปกันใหญ่เลยตอนนี้ก็ไม่พบความสุขนะเนี่ความสุขที่เราแสวงหาจากภายนอกที่เราเรียกว่าโลกธรรมนะโลกธรรมก็คือลาบยศสา ร, รเสริญแล้วก็สุขแบบโล ก, กียสุขมันมันไม่สามารถจะทำให้เรามีความสุขได้อย่างแท้จริงเพราะอะไร ก็เพราะว่าความสุขภายในมันไม่มีแล้วทำไมถึงไม่มีความสุขภายในก็เพราะไม่ไม่เป็นนิส ก, กับตัวเองไม่สามารถที่จะทนอยู่กับตัวเองได้มันมีความแปลกแยกกับตัวเองอยู่ลึกๆนะคนเราเนี่ยถ้าหากว่าสามารถที่จะอยู่นิ่งๆได้นะ สามารถอยู่นิ่งๆได้แล้วมีความสุขนะมันก็พอแล้วแต่ว่าจะมีสักกี่คนที่สามารถที่อยู่นิ่งๆและมีความสุขได้เนะีเราก็ต้องหาหาอะไรทําไม่ใช่เพราะขยันนะแต่เพราะมันต้องการหนีออกจากตัวเองนักปฏิบัติธรรมลองสังเกตดูเวลาปฏิบัติอยู่คนเดียวเนะ พอเดินจงกลมพอสร้างจังหวะไปได้สักสองสามชั่วโมงถ้าอยู่ถึงนะมันก็ก็จะหาอะไรทำแล้วก็จะคิดโน่นคิดนี่เช่นเห็นใบไม้ตกก็จะเอาไม้ไปกวาดตกแค่ใบเดียวก็รู้สึกว่าอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะต้องไปกวาดหรือแม่ก็ต้องไปซักผ้าหรือแม่ก็ซักเสือ้อ แต่พอให้ไปทํางานนะเช่นไปทํางานในครัวน ะ, ะทําได้สักพักหนึ่งพักใหญ่ๆไม่เอาแล้วเหนื่อยอกลับมาอยากจะปฏิบัติพอมาปฏิบัติอยู่กับตัวเองสีห้าวันไม่เอาละอยากจะหางานทำเนี่ยกระสับกระส่ายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยหนีตัวเองมันก็เหมือนกับหนีเสือปะจระเข้ ผลทุกวันนี้อยู่ในสภาพเช่นนี้การที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นเลยนะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรามาปฏิบัติธรรมแบบประเภทที่เรียกว่าไม่มีทางหนีไม่มีทางไปนอกจากปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยว่าให้ที่เราที่เร า, าพยายามทําน่นทำนี่เนี่ยนะมันไม่ใช่เพราะอะไรอื่นแต่เพราะว่าต้องการหนีตัวเอง แล้วเราก็สามารถจะหนีตัวเองไปได้นะเบื่อเบื่อก็ไปเที่ยวนีเบื่อก็ไปดูหนังฟังเพลงนี่มันก็มีทางหนีไปเรื่อยๆก็เป็นอันว่าไม่สามารถจะมารู้จักตัวเองได้สักทีบางทีการที่จะรู้จักเราเป็นมิกับตัวเองได้เนี่ยมันต้องเกิดจากการที่ไม่มีทางหนีนะ ไม่มีทางไปแล้วนะจะได้มันก็จะทําให้ต้องมาประจนกับตัวเองต้องมาประชิญหน้ากับตัวเองและการที่เราประชิญหน้ากับตัวเองนี่แหละมันจะทําให้เราเนี่ยเริ่มที่จะรู้จักตัวเองเหมือนกับการที่เราจะรู้ทุกได้เนี่ยรู้ทุกนี่เป็นหนึ่งในอริยสัจนะเป็นกิจในอริยสัจคือต้องรู้ทุกนะ อริยสัจข้อแรกคือทุกข์กิจในอริยสัจคือการรู้ทุกข์เราจะรู้ทุกข์ได้เนี่ยเราต้องเราต้องเจอทุกข์นะถ้าเรามีถ้าเราหนีทุกข์ไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราก็ไม่มีทางที่จะรู้จักทุกข์เลยเพราะว่าเราไม่มีโอกาสที่จะเผชิญกับทุกข์และการที่เราจะ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 แล้วเราก็จะเรื่อนเรียมรู้แล้วว่าเราจะอยู่กับตัวเองได้อย่างไรใหม่ๆ ม, มันก็จะมีนิวรต่า ง, างๆเกิดขึ้นมากมายเช่นความเบื่อความฟุ้งซ่านความอึดอัดทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นอาการของของใจที่ไม่สามารถที่จะ ทนอยู่กับตัวเองได้หรือมอยงี้เนื้อคือมันก็เป็นวิธีการของกิเลส ก, ก็ได้ที่มันต้องการให้เราเนี่ยเลิกปฏิบัติแล้วก็เพื่อเราจะได้หนีออกจากตัวเองอีกครั้งหนึ่งคนที่ทนนิวรณ์ไม่ได้ทนความเบื่อไม่ได้ทนความง่วงเหงาหานอนไม่ได้ทนความเสือ่อมซึมไม่ได้ก็จะ นะก็จะเลิกปฏิบัตินะแล้วนั่นมันก็เป็นชายชนะนะของกิเลสที่มันหรือเป็นของมารก็ได้กิเลสมารนะมานี่มีหลายชนิดกิเลสมานี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่มันต้องการที่จะให้เราเนี่ยหนีจากตัวเองมันไม่ต้องการให้เรารู้จักหรือค้นพบตัวเอง พอ้าเราคนพบตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยถ้าคนพบอย่างถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะก็จะพ้นจากอำนาจของมารอย่างสิ้นเชิงอย่างที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ได้ได้เป็นแบบอย่างนะ้การรู้จักตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่รู้จักว่าเราเป็นใครเรามีนิสัยใจคออย่างไรเรามีความถนัดตรงไหนนะ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 แลพอรู้อย่างนี้เข้าเนี่ยมันมันหมดเลยนะไอ้ความเพียแก่ตัวมันหมดเลยนะไอ้ความยึดติดถือมัน่นนะมันเป็นสภาวะที่นะไม่มีมันมีเป็นสภาวะที่ไม่มีอะไรที่จะมาครอบงาได้ต่อไปทุกข์ก็ไม่สามารถจะตั้งหรืออย่างลงไปได้ไอ้ความดินดีดไลน์ก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ อำนาจของมานนะที่จะมาบงการให้เรานะทำโน่นทำนี่หรือชักยายอยู่เบื้องหลังมันก็ไม่มีอานาจต่อไปอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยจิตที่ฝึกอบรมดีแล้วนะจอมพ้นจากบ่วงของมานนะมานี่มันก็วางบ่วงเอาไว้นะเพื่อที่จะดักให้เราอยู่ในอำนาจของมนัน แล้ววิธีการดักบ่วงของมันนะมันก็ไม่ต่างจากพรานเวลาเขาดักเขาวางบ่วงที่วัดนี่ช่วงนี้มันมีพรานนี่มาวางบ่วงมาวางแล้วนะเขาเรียกว่าแฮวแฮวหรือภาษากลางเรียกว่ามันวางแล้ววางไปทั่วป่าภูหลงเลยสองสวันก่อนนี่ดักมาได้เก็บมาได้300กว่าอัน เมื่อวานนี่นะวันนี้จะเก็บไปอีกสงสยัยจะอีกเจออีกสองสามร้อยอันแล้วนี่มันทำยังไงบ้างวิธีการของแล้วเอาแล้วมาวางเนี่ยมันไม่ยากอะไรเลยไม่ต้องใช้เหยื่อเลยเขาก็เอาเอาลวดสลิงเนี่ยมามัดเป็นห่วงเอาไว้ห่วงใหญ่ๆพอที่จะให้สัตว์เนี่ยมันเดินผ่านแล้วก็แล้วพอคอนี่มันไปติดกับห่วงเนี่ยมันก็จะลัดแน่นเลย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 แตถถ่ถ้าทำทางให้มันเดินง่ายๆเนี่ยแล้วก็เอ า, เอาบ่วงนี่มาวางไวตง้ตรงกลางทางเนี่ยสัตว์เนี่ยปกติมันก็คงมันก็เป็นเหมือนคนนะคือมันชอบทางที่เดินสบายอะไรที่ลกๆมันก็ไม่อยากเดินมันชอบเดินทางที่สบายพลายก็ทำให้ทางตรงนั้นเนี่ยมันสบายๆโลง่งๆหน่อยนะพอมันเดินไปทางนั้นก็จะเอาแล้วเนี่ยมาวางไว้ตรงกลางพอมันเดินผ่านเข้าไป ก็จะติดล้วแล้วก็ดึงพอมันดึงแล้วมันก็มัดคอให้มันแน่นแค่นั้นเองแหละมันก็ถูกจับได้แล้ววิธีการของพรานคือต้องทำให้ทางสะดวกทางสะดวกมันก็จะมันก็จะไปทางนั้นแหละถ้มายก็ใช้วิธีนี้นะอะไรที่มันสะดวกสบายเนี่ยมายก็ใช้วิธีนี้แหละนะั้นอะไรทางที่มันสะดวกสบายนี้เราเราต้องระวังนะเพราะว่า เราอาจจะไปติดบ่วงของมารก็ได้มานี่มันไมมันฉลาดมันไม่ต้องเอาเยื่อมาล่อเลยก็ได้มันเพียงแค่แค่ทำทางให้มันสบายสบายสะดวกสะดวกนะแ้วพวเราที่ไหนี่ก็ชอบทางสบายอะไรที่มันสบายเราก็เอาไว้ก่อนอย่างการปฏิบัตินี่พอมันลาบากเราก็เลิกแล้วน ะ, ะเพนี่ถ้าเราถ้าเราถ้าเรายอมนะที่จะมายอมที่จะมาะเผชิญกับ น, นิวรณน นะความฟุ้งซ่านความเบือ่อความอึดอัดแล้ถึงตรงนั้นแหละนะที่เราพอพอเราพอเรารู้ทันแล้วเราสามารถที่จะอยู่กับมันได้ไม่ใช่อยู่ด้วยความทนนะแต่อยู่ด้วยสติมีสติเห็นนะมีสติเห็นมีสติรู้อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้อารมณ์พน้นน้นก็ค่อยดับไปดับไปไม่ว่าจะเป็นความง่วงความเบือเบ่อความหงุดหงิด แล้วถึงตอนนั้นแหละที่เราจะเริ่มเห็นตัวเองนะเริ่มเห็นตัวแล้วเราสามารถที่จเป็นมิตรตัวเองได้ถึงตอนนั้นเราอยู่กับตัวเองเราปฏิบัติดูปฏิบัติคนเดียวแล้วก็มีความสุขนะไม่ต้องไปวิ่งหนีหรือว่าไปหาสิ่งเสพสิ่งบริโภคนะจากการที่การที่จะกลับมาเป็นมิตรและกลมกลืนมีสันติกับตัวเองได้เนี่ยมันต้อง มันต้องพร้อมที่จะพร้อมที่จะฝ่าแล้วก็มีใจสู้ไม่กลัวไอ้อุปสรรคเหล่านี้นะมันก็เหมือนกับเราจะเลิกบุหรีคนที่ติดบุหรีเลิกบุหรีเนี่ยนะจะเป็นอิสระจากบุหรีได้ก็ต้องทนที่จะเจอกับอาการลงแดงนะปวดหัวกระสับกระสาย นะครั่นเนื้อครั่นตัวสารพัด ท, ทั้งหมดนี้นะจะว่ามันเป็นอุบายของกิเลสเพื่อจะให้เราเลิกก็ได้ให้เราเลิกที่จ ะ, ะให้เราเลิกที่จะรักษาตัวให้เรากลับไปเสพใหม่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่เหล้าหรือยาเสพติดนะแต่ถ้าเราไม่กลัวเรากล้าที่จะฝ่าไปมันก็จะ ได้รางวัลตอบแทนคืออิสรภาพจากสิ่งเสพติดเหล่านั้นแล้วเราก็จะกลับมามีความสุขกับตัวเองได้ไม่ทำร้ายตัวเองทุกวันนี้การแสวงหาความสุขข อ, ของเราเนี่ยมันคือการทำร้ายตัวเองไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาความสุขจากสิ่งเสพติดหรือว่าจากการมาสุขพวกนี้มันถึงที่สุดคือการทำร้ายตัวเอง เราไม่ได้รักตัวเองจริงเราไม่ได้เป็นมิกฉตัวเราเองจริงเพราะเราทำลายตัวตัวเราเองแต่ถ้าเราเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะเราก็จะพบกับความสุขนะและความสุขนั้นเนี่ยมันก็เป็นรางวัลของการที่เรานะได้มาเป็นมิกฉาตัวเองเพราะนนั้การเป็นมิกฉาตัวเองสำคัญมากนะมาที่นี่ทั้งทีนะขอให้เราได้